เห็นนักปฏิบัติธรรมเป็นจำนวนมากเห็นแล้วชื่นใจชื่นอกชื่นใจไม่ได้เศร้าใจเลยเถ้าเห็นอย่างนี้เรียกว่าทัศนานุ ต, ตริยะได้เห็นผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมอ่าแม่แม่ ไ, ได้เห็นพุทธประพฤติธปฏิบัติธรรมอันเป็นมงคลถ้าพูดง่ายๆจะเห็นพวกโจรพวกมารทั้งหลายเสียวเสียวสันหลัง <Okay. S 1> เห็นปืนเห็นอาวุธเห็นตะตรามุ่นเสียวสันหลังแหวไม่เย็นใจเห็นผู้ประพฤติธปฏิบัติธรรม เป็นจำนวนมากอย่างนี้เรียกว่าเป็นมาหามงคลใหญ่ยิ่งที่เดียวแล้วการได้เห็นผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมเป็นมงคลชีวิตคุนว่าอนุตรังถ้าพูดถึงพระเจ้าประสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบถ้าได้กราบได้ไหว้ได้ทำบุญกับท่านผู้ น, นั้นเป็นอนุตรัง บุญจเคตังโล ก, กัสสะเป็นเนื้อนาบุญของโลกหานาบุญอื่นยิ่งกว่าไม่มีนะอนุตรังบุญจเคตังโล ก, กัสสะอันนี้เพียงแต่ได้เห็นเฉยๆก็เป็นมงคลแจใจแล้วขอโมทนาสาธุนะเอาจะทำยังไงต่อไป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 นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสัมบุตตะจิตตังดันตังสุขหาวังดัณโตเสฏโธมนุสเสจโสอิมัตสาธัมมาปริยายัตสอัตตสาทายัตสัมันตินิ สั ก, กจังน้ำโมโซตาโพเตนั่งตามสบายกันเนอนั่งเข้าสมาธิฟังเอาอย่าท่าปน ม, มือตลอดไปมันก็จะเมื่อยปเปล่าในอีริยบทนั่งให้สบาย เป็นที่สบายะการนั่งสบายนอนสบายยืนสบายเดินสบายท่านกำหนดให้พุทธบริษัททำอย่างนั้นทำให้ใจสบายไม่ต้องเคร่งเครียดอะไรมากมายให้สบายสบายท่านอาจารย์ถนงท่านกส็สามว่า ไม่ต้องรีบต้องเร่ง น, นะหลวงพ่อคระบาอาจารย์ไม่ต้องรีบต้องเร่งทำใจสบายสบายเราก็รับหยุดในใจว่าโอเคโอเ ค, อเคตกลงทำใจสบายในวันนี้จะพูดเรื่องจิตให้ฟังตักหน่อยจิตของเรานั่นทุกคน มันลอยเคว้งคว้างอยู่ในสังสารวัตรมาชาินานแล้วไม่ได้มาในชาตินี้เท่านั้นเวียนว่ายตายเกิดในภพน้อยภพใหญ่ไม่รู้จกสิ้นไม่รู้จะจบเพราะเรายังไม่สิ้นอาสวะยังมีอาสวะกิเลสอยู่อยู่ในหวัวใจเรา ก็เวียนไหวตายเกิดต่อไปถ้าเราทำใจให้หมดอาสวะเสียในชาตินี้ท่านว่าก็เป็นสุขนะทำอาสวะให้สิ้นไปในชาตินี้ไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะไม่มีหมดแล้วหมดสิ่งที่จะต้องพัฒนาแล้วใจ ตาราคะโตสะโมห์หมดไม่มีเชือ้อเหมือนดังมเมล็ดผักมเมล็ดพันธุ์ไม้ทุกชนิดถ้าถูกคั่วซะแล้วถูกคั่วให้มันเกลี่ยให้มันไหมซะกรอบซะแล้วเอาไปหวานลงยังไงมันก็ไม่เกิดไม่เกิดขึ้นมาอีกแล้วถูกคั่วเจอแล้วถูกทําให้เกลี่ยซะแล้ว ไม่มีเชื้อที่จะเกิดอีกแล้วน ะ, น ะ, นะเรียกว่าทำความเพี ย, แพยพรแผดเผากิเลสในเต็มที่ซ ะ, ะเราก็จะอดไรสักหมดไม่เบียนไห้ตายเกิดอีกเพราะมันไม่มีเชื้อการมาทำความเพียรกันอย่างนี้เรียกว่ามาฝึกหนัดดัดแปลง ฝึกปือตัวเองขัดเกลาตัวเองให้มันเหือดแห้งหายไปจากอาสวะดูให้อาสวะเหือดแห้งหายไปจา ก, กจิตใจของพวกเราอ่ามันทำยังไงมันจะเหือดจะแห้งจะหายไปจา ก, กจิตใจของพวกเราอ๋อพิธีกรรมวิธีที่จะทำให้กิเลสเหือดแห้งหายไปจาก จิตจากใจเราได้นั่นมีกรรมวิธีหลายอย่างอยู่พระพุทธเจ้าท่านวางไว้ให้พวกเราแล้ววิธีขัดวิธีเก่าวิธีทำให้กิเลสเบาบางหลายอย่างอย่างท่านบัญญัติตืดงขวัด ว่ให้พวกภาพวิษุสามันเณรได้ประพฤตปฏิบัติีุดงงขวัตนั่นก็เป็นสันเลขาหรือว่าเป็นสันเลขะเป็นเครื่องขัดเครื่องเกาจิตใจให้เบาให้บางลงได้จริงแต่ก่อนมันปริโ์กังวลในอาหารการกิน เรามาถือธุปองค์วัดสัชั้นมือเดียวซะโอ้ยมันเบาไปเยอะเบาไปโขชั้นมือเดียวหลังมันเบาไปโงชั้นมือเดียวเป็นวัดชันผาสนะใบเดียวเป็นวัดหรือว่าถือบินดาดเป็นวัดเราเนี่ยเป็นธุรองคอวัดที่ขัดเกลาจิตใจตัวเองให้เบาให้บางลง ไม่ปริโภทกังวลในเรื่องอาหารการกินใดๆเบาลงเบาลงแล้วทุรลงอย่างอื่นยังมีอีกํำหรับขัดเกาตัวเองเนสสิกังขะทุรลงถือไม่นอนเลยเอาอิริยาบถอย่างอื่นอิริยาบถไม่นอนเนี่ยไม่ต้องนอนไม่ถือการนอนแล้ว ถืออยู่ในสถิต ก, กังคะตุรงอ่เอาเป็นการบูชาตลอดเลยอย่างเงี้ยอ่าบางคนก็ถือจนว่าเอาตลอดพรรษาก็มีวันนี้ประสาทมันร ก, กวนเนี่ยวันเนีประสาทมันแข็งประสาทร ก, กวนขึ้นมาอีกแล้วนะว่าจะเอาชนะกิเลสแต่มันมีสิ่งที่ทำให้ เออเอ็กซเด็นต์เกิดขึ้นในร่างกายของตัวเองสังขารสังขารมันไม่เอื้ออำนวยทรมานมันเกินไปเป็นอัตตะกิริมทาโยุกทรมารร่างกายจนเกินไปก็เป็นทุกข์ขึ้นมาเหมือนกันเอาแต่พอเหมาะพอดีสิพวกเราเรารู้จักประมาณโยอะมัดชิมา ปฏิปทาสายกลางเอาเท่าพอพอไปได้อย่าเอารุนแรงกับมันนักเลยเพราะว่าร่างกายมันสมบกสมบันสมบุกสมบันมานานแล้วกับการงานทางโลกทางเรียงชีวิตครอบครัวมันสมบุกสมบันจริงๆละ่ะสู้ฟ้าหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ไฟตากแดดตาก้น ตา ก, ก ร, รมทุกอย่างอดตาหลับขับตานอนคุยเขียงาอาหารมาเลี้ยงร่างกายและลูกผู้มาเกิดด้วยอันนี้เพราะฉะนั้นเอาแต่พอมัธิมปฏิปทาเอาแต่พอสายกลางนะอย่าเข่งเกินไปอย่าบังคับมันเกินไปเอาพอดีพอดี หายหาเวลาพักผ่อนบ้างอิริยาบถ ท, ทั้งสี่ยืนเดินนั่งนอนให้สม่มให้เสมอถ้าแต่นอนอย่างเดียวก็ไม่ดีถ้านั่งอย่างเดียวก็ไม่ดีถ้าเดินมากเกินไปก็ไม่ดีอีกเหมือนกันนอนมากเกินไปก็ไม่ดีอีกเหมือนกัน เอาแต่พอดีพอดีอ่าให้เป็นที่สบายนั่งให้สบายให้ใจสงบนอนให้สบายให้ใจสงบยืนก็ยืนอย่างสบายให้จิตใจสงบเวลาเดินไปไหนมาไหนก็มีสติรู้ตัวอยู่เสมอ ให้ใจมันสงบอก็จะเป็นสุขอาจสงบได้ทั้งอิริยาบถทั้งสียืนเดินนั่งนอนทั้งสีอย่างเนี่ยทําให้มันเป็นที่สบายแล้วใจมันจะสบายจริงๆสบายจริงๆจะบนขึ้นมาในใจเราโ อ, อ้สุขหนอสุขหนอขึ้นมาแล้วมีความสุขไวย ไม่ยึดไม่ถือไม่มีอุปทานยึดมัน่นถือมั่นในทุกสิ่งทุกอย่างทำใจให้เป็นกลางสบายสบายที่ปาติได้ยกขึ้นเบื้องตนนะว่าจิตตั้งดันตังสุขขาวัางดันโตเสรตอมนุษย์เสรสจการฝึกฝนอบรมจิตของตนดีแล้ว นำความสุขมาให้คือวิธีฝึกที่บอกมาล ะ, อ, ะอยู่ในทุดงข้อวัดถ้าเป็นพระเจ้าพระสงถือทุดงข้อวัดสม่ำเสมอไม่เคร่งจนเกินไปไม่หย่อนยานจนเกินไปพอดีพอดีที่เป็นญาติเป็นโยมโอวบายสกุวาทิกาก็เหมือนกันให้เป็นคนเลี้ยงง่าย เพียงง่ายอยู่ง่ายกินง่ายไม่มกักมากในการอยู่การกินไม่มกักมากในการหลับการนอนไม่บริโภคอาหารมากจนเกินควรเอาแต่พอเหมาะพอดีนั่นทำให้จิตสบายจิตเราสบายแล้วนั่งสมาธิมันก็ง่ายเข้าเทจิตสบายมันก็สงบง่าย ถ้าทำให้วุ่นวายบีบมันเกินไปแล้วมันก็เกิดปฏิสารเดือดร้อนทำให้ตัวเองฟุ้งซ่านล้ำการหงุดหงิ ด, ง, ดงุนยินเห็นอะไรก็ไม่ดีไปหมดทุกอย่างละนั่นทำตัวให้ไม่สบายเพราะฉะนั้นจิตดังดันดั ง, ด ง, ดงทุกคราวห่างนี่สำคัญมากจิตฝึกฝนอบรมดีแล้วนำความสุขมาให้ น่าอัศจรรย์จริงนะฝึกผลอบรมดีแล้วนำความสุขมาให้จิตตังดันตังสุขขาวางังดันโตเศถโมนุษย์เสสุมนุษย์หญิงชายเหล่าใดเป็นผู้ไม่ทอดทุรลฝึกผลอบรมตอน อ, อ่งทุกระดับชีวิตอายุฝึกผลของตัวอยู่อย่างนั้น ฝึกฝนตนดูแลกานว่าเป็นผู้ประเสริฐเป็นผู้ประเสริฐไม่ใช่คนธรรมดาเป็นผู้ประเสริฐจริงๆอริยะอริยสาวกหรือว่าอริยะ <c oughs> เป็นสาวกของพระบรมศาสดาเป็นผู้ฝึกฝนอบรมตนดีแล้วเป็นผู้ประเสริฐ ผู้ประเสริฐในที่นี้หมายแค่ไหนหมายตั้งแต่โสดาบันบุคคลขึ้นไป เ, เป็นโสดาบันบุคคลตัดจากสกายทิธิวิกิจิจชาศีรพัพตปรมาตลงได้ไม่รูปไม่คำและไม่สงสัยหลังเลอะไรเล ย, ย่งมันก็หมดกังวล อย่กว่าตัดทิฐิมานะของตัวลงได้ไม่ถือร่างถือคายว่าเป็นตนเป็นตัวเห็นว่าเป็นที่อาศัยเฉยๆไม่ถึงกัายึดเอาจนว่าพอแรงต่างกายเอย๋ยถ้าจะให้เรามีโอกาสได้ทำคนเปลี่ยนบ้างให้โอกาสแก่เราบ้างอย่ารุนแรงทารุนกับเราเลยให้ได้มีโอกาส จำศีลภาวนานั่งสมาธิเดินจงกรมภาวนาอานบ้างทำ ค, คุณงามความดีอย่างอื่นๆก็ให้สะดวกสบายทุกอย่างแม้จะมาปฏิบัติธรรมอย่างนี้ก็ให้มีโอกาสได้มาได้มาอย่าขัดข้องเลยผู้เป็นผู้หญิงก็ส า, สามีอนุญาต ผู้เป็นผู้ชายขอภรรยาอนุญาตไม่ขัดขวางให้โอกาสได้ไปทำความเพียรอย่างนี้เรียกว่าสะดวกสบายเกิดเป็นที่สบายยะขึ้นม า, าได้บุญทั้งสองฝ่ายผู้มาประพฤติปฏิบัติก็มีโอกาสได้บำเพ็ญบุญกุศลได้เต็มที่ไม่ขัดข้อง ผู้ให้โอกาสจะนับสนุนส่งเสียมาจัดอาหารการกินหรือจัดเครื่องอุปกรณ์ที่อำนวยความสะดวกให้เหล่านั้นก็ได้บุญเป็นบุญเป็นกุศลขึ้นทั้งสองป่ายผูย้จัดทำให้ เ, เกิดบุญเกิดกุศลขึ้นในจิตเติมใจ ผู้ที่ตั้งใจมาประปฏิบัติธรรมนี่ก็ได้บุญเต็มที่อีกมาครอบครัวเราไม่ขัดข้องครอบครัวเราไม่ขัดขวางไม่เป็นอุปสรรคในการมาประฏิบัติธรรมแม่เราเกิดความปลื้มใจนั่นน่ะความดีใจความปลื้มใจปีติก็เกิดขึ้นง่ายๆ มีความปีติยินดีปรีดาปราโมทเริ่มขึ้นมานั่งก็เกิดมีความสุขนอนก็เกิดมีความสุขเพราะมีปีติสุขเลี้ยงใจอยู่ทุกเลี้ยงใจอยู่ไม่ได้กังวลอะไรเลยนึกถึงทางบ้านเขาก็ยินดีปรีดาหรือว่าอนุโมทนากับเรามาแล้ว เราจะมาลังเลอะไรนักหนารีบทำความเพียรซะให้เต็มที่นั่งสมาธิเป็นพุทธบูธชาให้ได้มีเวลาพอสมควรไม่ใช่นั่งแป๊บเดียวแล้วก็เอาละได้แล้วไม่ใช่อย่างนั้นทำนั่งให้ได้รับความสงบผ่านปิติสุขเอกคตาเข้าไป มันมีอารมณ์ของมันอยู่มันมีวิตกมีวิจาร์มีปีติมีสุขมีเอกะกะตาจิตตั้งห้าระดับเนี่ยมันเข้าไปต า, ตามสายมาแล้วตามสายถูกต้องแล้วมีวทิที่แรกก็มีวิตกซะก่อนวิตกป็วิตกก็มีวิจารอีก วิจารอะไรวิจารเรื่องของสังขารวิจารเรื่องอะไรอะไรวิจารณ์เรื่องร่างกายของเรานี่แหละแล้วพอใจสงบมันก็เกิดปีติอย่างไม่เคยเป็นอะไรเกิดปีติขนฟองสยองเก่าออสาบซ่านไปหมดทั่วสารพางร่างกายแม้นั่งอยู่กับพื้น ตูดของเรานั่งอยู่กับพื้นก็ปรากฏว่าไม่ได้ติดพื้นเลยมันลอยขึ้นมามันเกิดปีติของมันเป็นอย่างนั้นลอยขึ้นจากพื้นเพรามันเป็นอย่างนั้นก็มีที่ความสุขมันน่ะปีติหรออ๋อสุขหนอสุกหนอก็มันลอยขึ้นจากพื้นน่ะแต่ยาถอนครูบาอาจารย์ท่านบอกว่ายาออกเวลานั้น น, นนะ เวลามันลอยขึ้นมาเราอย่าออกเวลานั้นนะห้ามนะฮําไมออกเวลานั้นมันก็ไม่ลอยตัวล่ะ๋ต่มันหล่นตุ๊บลงไปถึงดินถึงพื้น <c oughs> <c oughs> ยิ่งเป็นแทนหินอย่างเี้อลอยตุ๊บลงมามันก็เอวหักอะไรเลยเวลามันลอยขึ้นอย่างเงั้ยนะให้มีที่ความสุขที่เจออย่าไปถอนออกเวลานั้นเออ มันถึงเวลามันจะออกเองของมันหรอกทางใจไว้ดีๆอย่าไปออกเวลามันรอยขึ้นมาเวลามันจะออกมันไม่ต้องวิตกหรอกมันจะออกเองของมันความรู้สึกของร่างกายน่นมันจะมีขึ้นมาหรอกอ๋อปรากฏว่าเสียงทางพื้นดิน สูงขึ้นมาสูงขึ้นมาสูงขึ้นสูงขึ้นใกล้เขามาใกล้เขามาจนอยู่ในระดับตัวเองเสียงนะ่ะเสียงอยู่ทางพวินดินนะ่ะมาอยู่ระดับตัวเองมันติดกับตดูดหรือติดกับนั้นแล้ว อ, อพยพ้นติดแล้วจึงค่อยออกตอนนั้นมันขึ้นมาติดแล้วนะ่ะ มันไม่ได้ลอยจริงแต่ความปรากฏมันเกิดเป็นลอยขึ้นมาได้ไม่ติดกับพื้นเลยอย่างนี้เดียกว่าปีติสุขเกิดปีติแล้วก็มีความสุขที่สดไม่มีทุกข์มาเจือปนแล้ว <c oughs> นี่เรียกว่าผ่านปีติสุขแล้วเอกาตาจิตมีอันเดียวไม่มีสอง เวลามันไปถึงนั้นแล้วระดับนั้นแล้วมาอยู่มีอันเดียวเท่านั้นมีแต่รู้รู้รู้อย่างเดียวเท่านั้นอ่าเด่นอยู่ <c oughs> ไม่มีสองขึ้นมาแล้วอ่าไม่มีสุขไม่มีทุกข์ใดๆแล้วมีแต่รู้อย่างเดียวเท่านั้นะะระลึกได้สติเดินระลึกได้ว่ามันรู้อยู่อย่างนั้นนั่นละผนต้องการให้ใจเป็นอย่างนั้น เป็นเอกขัตตาจิตเป็นเอกเอกคอัตารมมีอารมณ์อันเดียวไม่มีสองเพราะฉะนั้นขอฝากให้พุทธทบริษจัททั้งหญิงทั้งชายจงทำใจให้สบายดังที่กล่าวมาแล้วนี้ทำให้สบายเบาตัว ในบางเทศก็เหมือนกันบางเทศได้ยินอยู่ที่หูแต่มันรู้อยู่ที่ใจอย่างอื่นไม่มีหูเราเป็นผู้รับแต่ใจเราเป็นผู้รู้รู้ตามได้ยินอยู่ที่หูได้รู้อยู่ที่ใจไม่สนใจไปที่อื่น อ, อดีตอนาคตอะไรไม่ต้องส่งไปหามันผ่านมาแล้วอดีต อนาคตที่ยังไม่มาถึงก็อย่าไปคำนึงคำนวณถึงวันให้อ ย, อยู่ที่ตัวให้รู้อยู่ที่ตัวนี้นั่งอยู่ที่นี้กี่วันมาแล้วออกมาอ่าในคำในคำวมาออกมาประพฤติพรมม า, ารีณีของเรากี่วันมาแล้วเราได้รับความสุขขนาดไหนอุ่นวายหรือเปล่อ ควรดูที่ผ่านผ่านมาถ้าเห็นว่าได้รับความสุขก็ควรดีใจไว้มีอานิสงส์เนี่เราเรามีอานิสงส์ได้นั่งสมาธิเป็นปฏิปฏิบูชาเหลือเกินขอบูชาพระพุทธเจ้าขอบูชาพระธรรมคําสั่งคําสอนที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ขอบูชาพระ สองหรือพระอริยสงูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบด้วยเสียงก้าเอาจริงเอาจังลงไปอย่ามาทำเล่นๆกันถ้าทำจริงๆก็ได้ผลจริงๆนะทำจริงๆได้ผลจริงๆเราเคยพูดให้ฟังหรือเปล่าเนาะเรื่องทำจริงๆได้ผลจริงๆอะ่ะหอย้อนไปอีกในอดีต ใเราไปนั่งสมาธิภาวนาอยู่บนภูเขาคำไหวยางแต่ว่าฝั่งทางฝากวัดลงไปทางโน้นทางลำน้ำเชิญ น, น, น้ำนางมันมีหมู่บ้านบ้านหนึ่งเรียกว่าบ้านกอกบ้านคุยกอกนะฮะเขามีงานมหมอล้จบอะไรกันมันเอาลำวงมาอ่า มางานกันเอาลำวงมามีการเต้นลำวงกันอยู่อย่างนั้นนะแต่ว่าเสียงกองมันดังสะท้อนขึ้นไปบนยอดเขาเนะเสียงปะทอนทอนท น, ท น, ทนปะทอนทนอยู่อย่างนั้นนะเอา้าดังกล้องได้ยินแกมแก้งนะแต่เสียงคนไม่ค่อยได้ยินแต่เสียงกองมันดังสะท้อนขึ้นไปหลังภูเขา ปะโทนโทนได้ปะโทนโทนโทนปะโทนโทนเนี่ยว่าเราเดินจงกรมมักกัดังไปบรบกวนเรานั่งสมาธิก็ดดังมาบรบกวนเอมันทำยังไงเมื่อไรไม่จะจบสักทีจะคอยให้มันจบมันจะสว่างหรื อ, อยังไงอ่ะมันจะได้ทำก็เปลี่ยนเลยเอาอย่างนี้ดีกว่าเอาเปลี่ยนเสียงโทนใหม่ เปลี่ยนเสียงกรองเป็นเสียงอย่างอื่นได้ไหมติ๊กษาใจตัวเองเปลี่ยนยังไงเปลียนว่าทําจริงจริงได้ผลจริงจริงทำจริงจริงได้ผลจริงจริงขึ้นมาในใจที่มันไอ้ใจมันดังอย่างงั้นพะทนทนเราบอกว่าเราว่าทําจริงจริงได้ผลจริงจริงทำจริงจริงได้ผลจริงๆริงขึ้นมาแต่ไม่ให้ดังอยู่ทั้งน้นนะให้มาดังอยู่หัวใจเรา เสียงดังนั่นให้มาอยู่ในหัวใจเราเอาแล้ววันนี้ใจมันก็ได้หลักแล้วได้หลักแล้วเอาเสียงนั่นมาดังอยู่หัวใจเราหูได้ยินก็จริงแต่ใจเราเป็นผู้รู้ทำจริงจริงได้ผลจริงจริงทำจริงๆริงได้ผลจริงๆริงเรา ล, ลงไปเรื่อยๆคำนดลงไปาำนดลงไปเอาแล้วมีความรู้อันเดียวอย่างอื่นไม่รู้ มีความรู้เสียงนั้นคือใจ อ, อ๋อเหมือนไปหายึดเขาต่างหากล่ะแต่ว่าใจนี่เป็นผู้ยึดเอาเสียงนั้นมาอยู่ที่ใจเราก็เสร็จพอดีมันอยู่ที่ใจเรานี่เองก็เลยจับเอาตัวทำจริงจริงได้ผลจริงจริงอยู่ไงละ่ะอ่ามันดึกแล้วดึกแล้วตีหนึ่งตีสองแล้ว อพักผ่อนพักผ่อนแล้วกมันก็ยังดังอยู่นะนนะดังอยู่ในหัวใจอย่างนะทําจริงจริงได้ผลจริงจริงอยู่นั่นนะเอาไปเอามาในเสียงเบาลงเบาลงเบาลงเบาลงมันดับไปเฉยมันหลับมันหลับนั่นห ล, หลับแล้วว่เฉยหลับแล้วตื่นขึ้นมาแล้วโอ้วิธีอย่างนี้ก็เป็น วิธีอุบายยวิธีอย่างหนึ่งทําให้ใจสงบได้ไว้ยอ่าไม่ลาคาญนเอาแต่อย่างนั้นะถ้ามีเสียงอะไรรบกวนยึดมาอยู่ในใจมาดังอยู่ในใจเราไอ้เจ้าใจเราเป็นผู้รู้ใจเป็นผู้รู้แต่ว่าไม่ให้เป็นเสียงนั้นให้เป็นเสียงกุศลค่ะ ทำจริงจริงได้ผลจริงจริงทำจริงจริงได้ผลจริงจริงอยู่นะฮะมันดังเต็มหัวใจเลยเต็มหูเลยใจมันก็สงบลงได้เนี่ยนะเมื่อใจสงบแล้วมันไม่ลำคาญเลยมันไม่ลำคาญเขาเขาจะทำยังไงก็เรื่องของเขาแต่ว่าใจเราลู่เฉยๆดึงมาอยู่ที่ลกูก ให้ได้ยินอยู่ที่หูรู้อยู่ที่ใจแค่เนี้การกําหนดภาวนาทุกอย่างเอามาเป็นอุบายวิธีในการภาวนาได้นะได้นะถ้าหากเรามีสติรู้ทันแลาทันแล้วอย่าลำบาญให้ยึดเข้ามาที่ใจเราให้ใจเรารู้รู้อยู่ได้ยินอยู่ที่หูได้รู้อยู่ที่ใจใจเป็นผู้รู้ ใจตัวนี้ตายไม่เป็นนะเป็นอมตะเป็นอมตะธรรมอมตะธาตุมันเป็นดวงเดียวด้วยเวลามันลงไปเต็มที่มันมีจิตดวงเดียวเอกายโนโออยังมโคเป็นอันเดียวไม่มีสองอให้ทำได้อย่างนี้ทุกๆคนเด้อให้ทาใจลงไปให้เป็นดวงเดียว อย่ามีสองทาใจอย่างนี้ได้ก็เป็นการภาวนาระงับโสมนัสจะได้ทุกโทมนัสจะได้ทุกอย่างมันระงับไปได้หน้าอาศจริ ง, รงแต่ขอฝากนี้พวกเรามีพ่อมีแม่กันทุกคน มีผู้ให้กำเนิดแก่เราทุกคนไม่ได้มาเกิดมาจะต่อไม้ที่ไหนมีผู้ให้ร่างให้กายแก่เราอันนั้ น, น่ะท่านทั้งสองคือบิดามันดามาตาเปตคสัมพโวอักขถานหรืออัอกขธาต ตัวของเราได้มาจากาธาตุทั้งสองไม่ได้มาจากอื่นนะาธาตุทั้งสองถ้าไม่มีาธาตุทั้งสองมาบวกกันแล้วเราจะมีตนมีตัวมาจากไหน <c oughs> ไม่เป็นสัมภเวสีเป็นจิตเล่รอนไม่มีร่างไม่มีกายแต่ว่าเข้ามาในคัน ของมารดาได้หรือว่าไปเกาะ พ, พ่อก่อนก็มีไปเกาะแม่ก่อนก็มีจิตก็ไปเกาะแล้วธาตุทั้งสองเขาเทลงไปเราไปจับเอาธาตุทั้งสองนั้นมาบวกกันเข้าเอาจิตเข้าไปนองอนในธาตุทั้งสองมันก็นดิ่นขึ้นมาเป็นดิ่นดุกดิกดุกดิกดุกดิกดุกดิกเขาเรียกว่าปฏิสนธิจิต ปฏิสนธิจิตจิตวิญญาณของเราเข้าถือปฏิสนธิแล้วน้อยเดียวอจีน้อยเดียวเนึ่ยเท่าน้ํามันงาน้ํามันอจำมาจุลีอะไรสลัดแล้วเกตข้างเหลือน้อยเดียวใสแค่นั้น เ, เข้าไปติดอยู่ในรังไข่แล้วก็มันจเจริญเองหรอกวะเนี่ยมันคือสืบสันตติของมันเองโดยอัตโนมัติ อาใจเอ า, าธาตุทั้งสองนั้นมาเป็นวัสดุก่อสร้างร่างสร้างกายณธาตุน้ำเป็นาธาตุของแม่โมาธาตุดินเป็นาธาตุของพ่อทั้งสองาธาตุนํ่มาบวกกันแล้วมันเป็นอนนันนเป็นาธาตุที่เจริญาธาตุทั้งสองนี่เป็นาธาตุที่เจริญ ไม่เสื่อมเพรามันสมดูลกันแล้วมันจเจริญเองของมันโดยอัตโนมัติไม่มีใครไปปั้นให้มันน ะ, ะถ้าธาตุส้งต้องบวกกันแล้วมันจำแนกแยกแยะกันเองจำแนกแยกแยะกันเองลูกหลางอะไรอะไระจะเกิดขึ้นจากธ า, าตุสองนี้ เพราวธาตุาทั้งสองนี่มันมีเซลล์มันเป็นเซลลชนิดตนึงถ้าสามารถทําให้เจริญถ้าเอาดินที่อื่นมาเอาน้ําที่อื่นมามาปั้นบวกบวกันปั้นเป็นรูปเป็นล่างก็ไม่มีวิญญาณอะไรในนั่นเลยปั้นหม้อปั้นให้ว่าก็เป็นรูปเป็นล่างเฉยๆแต่มันก็ไม่มีวิญญาณครองในนั่นอันนี้ มันจิตอันนี้มันมีเซลจะนิดหนึง่งถ้าบวกกันแล้วจิตควบคุมเองจิตควบคุมเองทำให้เจริญขึ้นมาจิตเป็นผู้สร้างถ้าพูดอีกอย่างหนึ่งจิตเป็นผู้สร้างวิวัฒนาการมันก็เกิดขึ้นในที่นั่นกาะลลักษณะเปรีสีแตกแข้งแตกขาแตกหูแตกตาแตกตับแตกไตแตกไ้แตกพุง แต่อวัยวะทางเดินต่างๆมันเป็นของมันโดยเองโดยอัตโนมัติเป็นเองไม่มีใครจำแนกแยกแยะมันเองหรอกนั่นเรียกว่าธาตุทั้งสองนี่มีอานุภาพมากสามารถสร้างร่างสร้างกายขึ้นมาให้สมบูรณ์ขึ้นมาได้เพราะอาศัยณธาตุน้ามโมธาตุดินทั้งสองธาตุนี้บวกกันแล้ว เพราะฉะนั้นพระคุณอันนี้พวกเราจะปฏิเสธไม่ได้เลยพระคุณที่ว่าณธาตุนะ้ำนะโมธาตุดินเนี่ยเพราะฉะนั้นนะักปราชญ์ท่านจึงให้ตั้งนะโมก่อนจะทำอะไรอะไรให้ตั้งนะโมก่อนนะจะถวายทานอะไรก็ตั้งนะโมก่อนไม่ตั้งไม่ได้ตัดสาภาวตโตจึงนอบนอบ้นอมไปทีหลังหรอก เอาน้โมหนะา้าธตนะ้าโมรนะาตนะนะดินตั้งขึ้นตะกอนคือธาตุสังสองนั่งกระโยงขึ้นบนมมือขึ้นตะกอนจะรับสินก็ดีจะให้ทานก็ดีเอาห น, น้โมกอนพระคุณเจ้าก็ต้องให้น้โมกอนเราก็ตั้งน้โมพอว่า น, น้โมเราก็ระลึกถึงพ่อเราหนอแม่เราหนอขึ้นมาออ ร่างกายณธาตุน้ำเป็นธาตุของแม่โมธาตุดินเป็นธาตุของพ่อธาตุสระพระคาวาโตอารัหะโตสัมมาสัมพุทธะจึงทําความนอบน้อมต่อพระสมาสัมพุทธเจ้าเป็นลําดับต่อไปนั่นเพราะฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติธรรมให้ระลึกไว้เสมอว่าตัวของเราเป็นธาตุของพ่อเป็นธาตุของแม่ พ่อแม่ให้มาจึงได้ร่างกายอันนี้ท่านให้ร่างกายแค่นี้ได้มีโอกาสได้สร้างร่างสร้างกายอยู่ในคันของท่านตั้งเก้าเดือนสิบเดือนร่างกายจึงสมบูรณ์ทุกอย่างเวลาคลอดถ้าทวนกำหนดทดสมมาตรแล้ว ไม่มีใครบังคับนะมันเป็นไปเองโดยอัตโนมัติ เ, เก็บปวดรวดลาวเขาเรียกว่าประชวนปวดปั่นว่ะนะเกิดมีกรรมบันดาลเรียกว่าลมกรร ม, มรสวัสลมกรร ม, มรสวัสจะเกิดขึ้นปวดปั่นขึ้นเจ็บประชวนปวนปัน่นเก็บทำให้พัดผัน ถ้าลรอยู่ในคันพิกข่วมพิกหงายได้เลยนะอารมณ์ น, นั้นเรียกว่าลมกำมัดสวาด่างมาผัดผันไม่ให้อยู่แล้วแต่ว่าคนเรามีความรู้วิชาได้ศึกษากันมาดีเอ า, เอาวิชามาช่วยกันให้หมอตำแยมาช่วยพิกมาช่วยได้ผดุงคันมาช่วยพิกช่วยอะไรไม่ให้ขัดกล้องอ่า มาช่วยกันเวลานั้นนั่ น, น, นมันถึงคราวแล้วมันเป็นอย่างนั้นคลอดออกมาโอโ้ไม่ใช่ธรรมดาเก็บปวดรวดเล่าที่สุดแต่พอผู้เป็นแม่เนะี่มหาอดมหาทนมีความอดความทนพิเศษเก็บปวดรวดเล่าสักปันใดก็อดกั้นทนทานหวานอมขมกลืนข่าวนี้และทนเาอาอาจะเก็บปวดรวดเล่าแล้วก็ทนได้เพื่อลูก มาเกิดกับเราเสียตละแล้วบางคนขอภาว น, นาขอให้ลูกเราปลอดภัยเด้อขอให้ปลอดภัยทั้งแม่ทั้งลูกละอเอากุศโทรัพยงสังโ์ขอมาภาว น, นาช่วยก็มีบางครั้งเออให้ปลอดภัยถ้าคลอดออกมาแล้วก็แหมมันเก็บปวดรวดนเล้าขนาดนัน้นมันขีดขาดขนาดไหน อ่านี่พูดตามความเป็นจริงเกินไปมัง้งเออมันขีดมันขาดก็มีเลือดพังออกมาเสียเลือดเสียพระกำลังขนาดไหนแม่ก็อดกั้นทนทานเอานั่นน้ำใจของแม่แทนที่ว่าน้ำใจพระน้ำใจแม่ที่อดกั้นทนทานต่อลูกลูกจะเป็นยังไงเป็นห่วงแต่ลูกอย่างเดียวกลัวลูกจะไม่ปลอดภัยออกคลอดออกมาแล้ว พอได้ยินเสียงร้องเระนั้นก็ดีใจแล้ว <c oughs> สัญญาณทางหูไม่ดับได้ยินอยู่ถ้าเสียงอู้ว่าอู้ว่าเออลูกเราเป็นชายนึกในใจลูกเราเป็นชายแต่ว่าจะเป็นลมเป็นอะไรไปก็ยังได้ยินเสียงอยู่ถ้าอู้แม่อู้แม่โ อ, อ้เสียงเราลูกเราเป็นผู้หญิง <c oughs> <c oughs> เสียงอย่างนี้มันเป็นผู้หญิงว่ะ <c oughs> รู้จักอยู่ในสัญชตาตญาณนั่นเองดีใจแล้วได้ยินเสียงเค่นั้นดีใจจะบพ่คุณถูนหัวขอให้ปลอดภัยลูกข อ, ขอให้ปลอดภยอัยแม่ขอขอจงปลอดภัยถ้าหากเราเป็นอะไรไปก็ขอจงมีผู้มีเมตตามารับเอาลูกไปเลี้ยงด้วยเถิดอยู่ในใจภาวนาอยู่อย่างนั้นตลอดอ จนเราปลอดภัยดีแล้วดีแล้วแข็งแรงแล้วอยากเห็นหน้าลูกลูกก็เอาไปนอนเปรนอนบอกไว้แล้วเอามาให้ดูแมอ่อยากกอดแล้วน้อยๆยังอยากกอดอยากดมอยากจูดจูบแล้วมันสัญชาตญาณมันเป็นอย่างนั้นเรียกว่าน้ำใจแม่น้ำใจพระแม่เป็นพระไม่ใจแม่ธรมรมดานะ อาหุนหนาห่นเหนยาุนยบุคโลจะผู้เป็นเสมือนพระอรหันต์ของโลกก็คือพ่อกับแม่น้ำใจอยู่ที่ลูกมอ <c oughs> <c oughs> อให้เพราะฉะนั้นเรามาบวชในขบมะการอย่างนี้อย่าลืมล่ะอย่าลืมอุทิศส่วนบุญส่วนกุศล ให้ท่านทั้งสองล่ะเพราะท่านทั้งสองนั่นเป็นผู้ก่อให้เรามีอวัยวะเกิดขึ้นมาได้เป็นผู้อุ้มชูเราไม่ทอดทิ้งเราไม่นิ่งดูดายเราไม่ใจจืดเจดมกับเราเอาใจใส่เป็นทุลาระฟูมฟักรักษาอดตาลับขับตานอนต่อเราตกผ้าขี่ตีผ้ายเยียวเอาได้ทุกอย่าง ท่านทำกับเราได้ขนาดนั้นนะ <c oughs> พ่อกับแม่เพราะฉะนั้นเรามีโอกาสได้ทำคุณงามความดีอย่างนี้ในลักษิศีลได้เจริญภาวนาได้ทำบุญให้ท่านใดๆก็ดีควรระลึกถึงท่านทั้งสองให้มากๆอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ท่านให้ท่านมีความสุขความเจริญถ้าหากท่านล่วงลับไปแล้วขอดวงวิญ ญ, ญาณอันบริสุทธ ดวงวิญญาณอันเสมือนพระของเรานั้นจงได้อนุโมทนากับการทําคุณงามความดีกับข้าพเจ้าด้วยเถิดอ่าเมื่อโมทนาแล้วหากตกทุกข์ก็ขอจงพ้นจากทุกข์ถ้าถือสุขขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปสมมโนไม่กว่าธนาของข้าพเจ้าด้วยเถิดตามใจอย่างนี้ทุกคนทุกคนอ่าแล้ว ดวงวิญญาณอันนั้นก็จะโมทนาสาธุการหากตกทุกข์อยู่ก็จะพ้นจากทุกข์โดยเร็วพันเพราะอานิสงส์ของศีลของพวกเราอานิสงส์ของการปฏิบัติธรรมของพวกเราสามารถไปอุ้มชูเอาดวงวิญญาณของพ่อของแม่พ้นจากนรกได้ท่านว่ายอย่างงี้นะเพราะฉะนั้นขอฝากครับ พุทธบริษัททุกท่านทุกคนขอให้ทำใจอย่างนี้และลึกได้อย่างนี้แล้วอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ท่านเหล่านั้นด้วยเถิดท่านเหล่านั้นได้รับทราบแล้วก็จะชื่นชมโสมนัสยินดีปรีดาปราโมทที่สุดาที่สุดไม่ได้ลูกได้บวชเป็นภิกษุ หรือสามเณรในศาสนาแค่นี้ก็เป็นการดึงขึ้นจากนรกเลยแล้วไอ้พวกเราบวชเป็นชีเป็นขาวบวชจิตบวชใจอย่างนี้ อ, อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ก็ได้เหมือนกันนะไม่นานหรอกเพราะฉะนั้นที่แสดงมาเป็นประจินดาในเพื่อต้องการให้ท่านทั้งหลาย เข้าอกเข้าใจก็ขอจงนำไปใข้ควรพินิษ์พิจารณาด้วยปัญญาอัญชาอญชลาดของตนของตนเองเถิดอัปปมามธรรมไม่มีความประมาทต้งอกต้งใจประปฏิบัติตามไปเต็มความสามารถาทุกวันทุกคืนไปต่อแต่นั้นก็จะได้ประสบพบเห็นแต่ความสุขความเจริญงอกงามไพบูล ในธรรมวินัยคำสั่งสอนของปัตมาสัมพุทจ้าทั้งทางคดีโลกและทางคดีธรรมทุกประการรับประทานฝอยหรืออะไรน่อยวิสัตนามาก็ยุติด้วยเวลาเอวังก็มีด้วยกับกาลตานีเอ า, า, าพ่อคนเดียวของเาดีอะไร ไ, ไหวมือ เป็นยังไงเข้าใจหรือเปล่าใครเข้าใจยกมือขึ้นโอ้หลายาเลยเข้าใจยกมือขึ้นเข้าอกเข้าใจสราบซึ้งสราบซึ้งตึงใจการฟังเทศก็ต้องให้ซึ้ง ตอนนี้นะหลงปูเหลียนนั่นยังจะมาแสดงต่อตอนกลาคืนตอนไหนตอนกล่อตอนเย็นลงกว่านี้หะเย็นเย็นกว่านี้อะไรตอนอะไรไหนฮสองปะจจัจ็บเออไอเดินไปไหนเนาะถ้าสองปัจจัยไมคนกลับรถถือเอา คนขับรถไปไหนเนาะคนขับรถเบี้ยวเราไปไหนวะใส่พี่องแล้วนะนั่นมีว ย, ยาวัชกอคนผู้ถือผู้จายย่ายง่ายเอาสมควรจะเวลาแล้วนะ <c oughs> เอาวังแล้วนะ <c oughs> ถ้ารู้จักว่ามีกันเทศปาานนี้ยังไม่ลงนะแหงกันเทศต่อไปอยู่นะนีนต่อเปลียน<า>่ให้ต่ อ, อโมทนาสาธุท่นานเป็นผู้มาทีหลัง네มาก่อนหรือเปล่าน้ำพึ่งมาหรือไง มานั่งฟังอยู่แล้วเหรอเออนั่งฟังอยู่แล้วก็ต่อมาก็ต่วาย เครื่องทายาธรรมเคื่องบูชาทมกันแล้วจะได้รับพรกันนะมันนี้นะ เ, เวลารับพรก็นึกในใจนี่เขาใส่ขันไว้เนี่ยใส่ตองมาเนี่ยนึกในใจว่าอย่างไงนึกในใจว่าสาธุ้วยอํานาจบุญกุศลยาลาสีที่เราได้ประพฤติปฏิบัติทำคุณงามความดีครั้งนี้ จนตวัตตลอดตวายเครื่องตการบูชาเหล่านี้ขอให้เป็นพลวะปัจจัยดลวันดาลความสุขความเจริญให้แก่ดวงวิญญาณบิดามารดาครูบาอาจารย์ปูยาตาญยาญยาตินิทมิตรสหายเจ้าคำนายเวรของเราทั้งหลายเมื่อได้ทราบว่าข้าพเจ้าให้ส่วนบุญแล้วก็จงอนุโมทนาเอา เหมือนตนทั้งเองทำเองเถิดอโมทนาแล้วหากตกทุกข์ก็ข อ, ขอจงพลจากทุกโดยเร็วพลันถ้าถึงสุขก็ขให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปสมใจปรารถนาของข้าพเจ้าด้วยเถิดตั้งใจอย่างนั้นนะยะท้าวริวังาปุราปาริปุเรนเทสากลังเอวเมวอิโตทินังเปทานัง อุปกัมภีอิจิตังปฏิตังตุหังคีปเมวะตมิจโตสเปบรังโตตังคปาจันโตปนัลโสยาทามณิโชติลโสญาทาสัพพิโยวิวัจจันตุสัพพะทุโขสัปะปโยสัพพะโลโววินาจตุมาเตปาวัตวันรายโยสุขีติกาโยโขบาว อภิวาตนาสิริสะนิจจังบูชาปชายิโนจัตตารโรธรร ม, มวัชสันติอายุวันโนสุ ข, ขังภาลังขอแปลสักหน่อยว่าอายุนั่นของให้ยืนมั่น สถาพรร้อยปีย่ามีย่อนได้เหมือนกรอนพลนาขอให้มีผิวกายพันลงามปรจจนาผ่องใสวิไลตาพิดโซภาหน่าชมเฉยไม่ต้องเกลืองเครื่องสำอางใดเล ย, เล ย, เลยขอให้มีความสุขนิลาดทุกในลาดศกนิลาดโลกนิลาดไป แนสนสบายสบายสิ่งใดที่ได้เคยแม้เป็นอดีตและปัจจุบันสิ่งนั้นก็อย่าละเลยเลวเสื่อมตามขอให้มีกำลังอนันตงมากเหลือหลายกาลังกายกำลังใจกำลังภายในกำลังภายนอกกำลังทรัพย์อันนี้สำคัญมากนะและกำลังสติปัญญาสามารถอาหารรู้เท่าทัานเหตุการณ์ได้ดวงตาเห็นธรรมด้วยเดชาสง่างาม เสร็จสมตามดังพรเจอิญถ้าแปลแล้วเข้าใจถ้าไม่แปลแล้วไม่เข้าใจนี่เป็นอายุเท่าไรคุณโยมอ่ะโยมอายุเท่าไรแล้วแปดสิบสี่แปดสิบสี่สิบสองเ็ เป็นแปดสิบสี่เจ็ดรอบแล้วนะปีวอกหรือปีมะแมฮะมะแมวอกเ อ, อจิบสองเจ็ดเป็นแปดสิบสี่ิบสองแปดเป็นเก้าสิบหกลงปูเหรียญวันเก้าจุดกวาดนั่นเนี่ยชวดแล้ ว, ว, ลวมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆยังไม่ยอมแพ้เลย อายุว่นโอนุคังพลังแล้วันนี้ได้เวลายังงอ้เวลาเลา น, ะเ น, น, นาะผู้เป็นพ่อเป็นแม่เราท่นา น, นจากตำกับการเลี้ยงดูอุ้มชู ล, ลงมาไม่ใช่น้อยเลยเลี้ยงลูก เลี้ยงอะไรเลี้ยงหมาเอาไว้กินดูกเลี้ยงลูกเอาไว้กินแรงไปนะถ้าโตมาแล้วไม่ได้มรดกอะไรกับเขาไม่ได้มรดกกับพ่อกับแม่ก็หาว่าพ่อแม่ไม่มีบุญคุ ณ, คณอย่างนี้ก็มีนะเอยจะเอาอะไรอีกมรดกมรดกอันพ่อแม่ให้คือร่างกาย ร่างกายของเราเนี่เป็นของพ่อของแม่ทั้งนั้นนะมรด ก, กันเดิมๆถ้ารู้จักเอามรดกอันนี้ไปสร้างคุณงามความดีอาจจะได้มรรคผลนิพพานน ะ, อ, ะอยากได้พระโสดาบันต ะ, ะกิตคาพระอนาคาคันเอาร่างกายอันนี้และไปทําเอาอได้ อ, อรีตทรัพย์อย่างจริงจังไม่ใช่น้อยเลยได้อดียทรัพย์อันปรากฏตีเดียวหลัง มรดกไล่นาสาโทที่เมื่อบ้านที่บ้านช่องเกงคหสถานละมรดกเหล่านั้นเป็นแรงงานของท่านต่างหากหรอกแรงงานที่ท่านเป็นคนขยันพ่อแม่เราเป็นคนขยันท่านจึงมีมรดกเหล่านั้นมีบ้านมีช่องมีไล่มีนามีลัว้วมีสวนมีทรัพย์ อสินคันบริวารอะไรเราเนี่ยมันเกิดจากความขยันของท่านถ้าเป็นคนขี้เกียจที่คาดก็ไม่ได้อะไรหรอกเพราะอย่านั่นอย่าไปห่วงมรดกอันนั้นมรดกอันประเสริฐที่สุดก็คือร่างกายของเราอันนี้ฝากไว้เป็นข้างที่สองมรดกดีๆคือร่างกายของเรานี่นะท่านให้แล้วเอาร่างกายอันนี้ทําคุณงามความดีกันเถิดมรค น, นิพพานไม่เป็นหมันหรอกะ าจะเป็นของเราแน่นอนพระอริยเจ้าพระโสดาพระสกิทาคานาคาท่านก็เอาร่างกายของท่านที่พ่อให้แม่ให้ท่านทาเอาได้สำเร็จเป็นพระ อ, อรหันต์ทำดีๆแท้ๆแม้กระดูกที่พ่อให้แม่ให้มานะ่ะ อ, อาจจะเป็นพระธาตุขึ้นก็นได้นะไม่ใช่ธรรมดานะอาของวิเศษอยู่ในเราแล้ว ทำเอาเธอคัดเขาเอาเธอได้ของดีแล้วอยาขี้เกียจขี้คาดด้วยปากาลาสนีอีกแล้วฮะ<ห> <c oughs> ได้ปากาลานีเอาเรื่อยๆเว้ย<ห>